เอ่ากามองก็มีกลิ่นขึ้นมันไหลออกมาจากตาจากหูจากจมูกจากปากจากทวารไหนก็ตามก็ล้วนแต่ข้องเหน่าข้องเหม็นข้องปฏิกูลทั้งนั้นก่อนอันนี้เป็นก่อนปฏิกูลเป็นของปฏิกูลก่อนอันนี้เป็นก่อนอันนี้จ้างก่อนอันนี้เป็นก่อนทุกก่อนโทษเราพิจารณาเพื่อจะแก้ไขสัญญาอารมณ์ที่ว่ากำหนัดยินดี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 เรื่องของธรรมะจริงจงมันทวนกะระแสมันไม่เด้ถือว่าสิ่งนั้นมันดีมันดิเสีถ้าพิจารณาตามธรรมะไม่อย่างนั้นจิตไม่เบื่อเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องโลกเรื่องสงสารจิตที่จะเบื่อได้ก็เพราะอาศัยพิจารณาทวนกะระแสเขาว่าสวยงามความจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นอสุภอสุภังเขาว่าของนั้นยั่งยืน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 ทุกขณะทุกเวลาถ้ามันมีสติถ้ามันมีมีสติมันปล่อยลอยลมไปนั่งภาวนากว่าทําท่าไม่ทราบว่ามันไปคิดไปนึกเรื่องอะไรจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นมันวกมาอ้าวนั่งนานแล้วนะนี่เจ็บแขงเจ็บขาปวดหลังปวดเอวแล้วพอสมควรเอาระมันเป็นแบบนั้นไม่ทราบว่าเอาละอะไรเมื่อกินไม่อิ่มผมไม่เห็นว่าเอาละกินแล้วนอนยังไม่พอ เอาละมันนอนไปหลับไปแล้วตืนหนึ่งแล้วเอาละไปนั่งภาวนามันไม่เห็นว่ามันยังไหวดึกอยู่เอาอีกสักตื่นเช้าก่อนจนสายตื่นมาเออภาวนาไม่ได้วันนี้เพราะหน้าที่การ ง, งานมันมีมันสายแล้วมันเลยไปแบบนั้นวันนั้นก็อผิตวันนี้ก่เลยเถิดเลยแดนไปมันก็เลยเป็นเกลียวหวาน จะทำภาวนาเมื่อไรก็ไปอย่างนั้นมันไม่อยู่ในอดในทมให้ถ้าหากมันอยู่ในอดในทำไม่ไ่าอยู่ยิยะบทใดมีสติอยู่กับใจมีปัญญาสอนตัวเจียงมันปรุงขึ้นมันก็ทราบอะไรมันปรุงขึ้นเป็นดีเป็นชั่วมันทราบเหมือนกันกับไฟอยู่ในการไม่ีดเพราะมันกระทบกันเข้ามันเกิดไฟขึ้นแล้วก็ทราบ เราเรียบดับมันง่าย้าไปจุดบานจุดช่องจุดป่าจุดดงจนมันลุกลามไปใหญ่ตัวแล้วดับยากบางทีก็ดับไม่ได้จนไหม้เขาของเสียหายคนปี๋นี่ทํานองเดียวกันคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะในตัวโ ก, โกรธก็โกรธจนตาดำตาแดงจนรุ่มจนหลงจนขา่าจนแจ้งท่านก็มีแต่กว่าจะ ทราบว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษมันผิดผิดไหนได้มันเลยเถิดเลยแดนไปแล้วมันเลยฝั่งเลยฝาไปแล้วรักก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนี่คือมันห่างไกลไปจากสติปัญญาจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราต้องน้อมที่นี้พิจารณาอยู่สม่ำเสมอจิตใจปัจจุบันนี้มันคิดมันปรุงอะไรตายไปขนาดนี้จะไปเกิดเป็นอะไรดู ภายในจิตใจของตัวกว่าราถ้าจิตใจของตัวไม่มีอัดมีทำจิตปรุงจิตขว้งในจิงจีตชั่วช้าลามกตกกระปกเกิดทุกเกิดโทษในจิตในใจไม่ผ่องใสไม่สงบมันก็ไปในทางชั่วทางเสียนั่นเองพอมันมีทุกมีโทษอยู่มันจะไปดีวิเศษที่ไหนได้ถ้าจิตของเราผ่องใสจิตของเราสงบจิตของเราเยือกเย็นเราก็บอกได้ พวกชาติ้างหน้าถ้าเราตายในปัจจุบันทันตาเดียวนี้เราจะไปที่ไหนก็ของดีวิเศษมันมีอยู่เราก็ไปในทางดีเหมือนมันหมดกีเล็กก็ทํานองเดียวกันให้ดูจิตปัจจุบันสิ่งใดเป็นชิดเป็นภัยให้ขับไล่ออกไปสิ่งใดที่ทาจิตทําใจให้สงบสุขรีบรักษาเอาไว้เดี๋ยวกระทาบําเพ็ญให้มีในจิตในใจของตนนี่คือคนฝึกผลภาวนาสําระชิเล็กอย่าไปดูที่อื่น ดูภายในทำจิตทำใจให้เยือกให้เย็นให้สุขให้สบายเรื่องอื่นท้ายนอกที่จะมารบกวนตัวข้องตัวให้ทุกข์ให้โทษแต่ตัวเองเท่ากับตัวข้องตัวนั้นไม่มีเพราะสิ่งอื่นท้ายนอกมันเห็นมันรู้เป็นบางการบางเวลาแต่ส่วนทุกข์โทษที่เหลือันหา อารมณ์สัญญาในใจนี้มันอยู่ภายในมันให้ทุกข์ให้โทษอยู่ทุกการทุกสมัยถึงไม่ได้ไปทําไปพูดมันขอคิดให้ดีใจเสียใจให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวได้แต่ยังให้ดูภายในสัมระภายในไม่มีธรรมะในใจคนที่มีธรรมะในใจจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานจิตใจตื่นจิตใจรู้ ขันว่ามีพุทธโธ ค, คือตื่นอยู่เบิกบานอยู่ไม่ลุ่มไม่ห ล, ลงหมายถึงสติหมายถึงปัญญาในจิตในใจของตัวดูภายในชำระภายในหายใจมันผ่องมันใสมันสงบโอกาสเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันหายากหายใจจะเกิดง่ายๆ ถึงคนสมัยปัจจุบันเขาทำเหมือนกันเพราะมนุษย์ล้นโลกไม่มีที่อยู่ที่อาศัยทํำไมว่าเกิดยากมันจึงมากขนาดนี้บางท่านบางคนก็อาจจะสงสัยมันมาจากที่ไหนมันจึงมากให้พี่เจนาฮะทางสอนใจตัวเองถึงมันมากมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์นั้นมันหายากมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเป็นมนุษย์ สัตติลักาณโนส่วนมากคือจิตใจเป็นสัตว์มันมาจากสัตว์แต่ก่อนสัตว์น้ำก็ดีสัตว์บกก็ดีมันไม่อดไม่อยากเดี๋ยวนี้มันหายากมันตายมาเกิดเป็นมนุษย์ทิงโง่งเง่าเตาเตาุนไม่ทราบอาจ ส, สามทีสิพระพุทธเจ้าสอนนี่เองมันจึงยุ่งวุ่นวายจิตใจนะ่าหาทางแก้ไข อารมใจของตัวให้เย็นให้สงบโอกาสเวลา <c oughs> มันมีหากเราชอบเรายินดีในธรรมะจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดียังไม่หลับเมื่อไรให้มีสติคิดนิพิจณาใจของตัวสำราชั่วซึ่งเรียกว่าจิเลตันหาให้ตกออกไปให้หลุดออกไปพิ่เจนาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ กายของเรานี้เป็นที่สั้งของสติเวทนาก็เป็นที่สั้งของสติจิตธรรมมันก็อยู่ในนี้ไม่ดีมีอยู่ที่อื่นนี่คือตัวสติปัฏฐานก่อนสติปัฏฐานพระพุธทธเจ้ารับรองปู่ไดสิพิเจนาตามธรรมะของพระพุธทธเจ้ า, จามีสติปัฏฐานพิเจนาเอาสติสั้งไ ว, ใใใว้ในกายในเวทนาในจิตในธรรม อยู่ทุกการทุกเวลาเอาที่นี้เป็นฐานของที่สัง่งสติที่เจริญให้เห็นตามเป็นจริงของมันคนนั้นไม่นานจะมีความสุขความสบายในจิตในใจของตัวอย่าง น, านั้นไม่เลยเจ็ดปีคนที่หยาบนาจยิงจังจะต้องมีสติเป็นสอง ไม่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันหรือเจ็ดนาทีก็ได้ถ้ามันเป็นให้พอจิตใจมันทิกขณะของมันมันเป็นแทบเดียวเท่านั้นมันเป็นไปได้มันละได้ถอนได้ขอาใจแยบคลายตามเป็นจริงของมันแล้วพุทธเจ้าอ่ะผู้จิตใจนะตามหลักสติปัฐาน จะมีคติเป็นสองคือเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ตัวดาสกีทาทาหรือผู้ทุชนคนหนาท่านไม่ได้บอกถ้าตั้งใจผิดนี้พิเจนะท่านไม่ได้ถือว่านักบวชไม่ได้ถือว่าฆราว่าสไม่ถือว่าผู้หญิงไม่ถือว่าผู้ชายถ้าพิเจณาตามธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ตั้งใจกําหนดสติปัฏฐานจริงจังจะเป็นอย่างนั้นคือจะ เป็นพระอนาคาและเป็นพระอรหันในชาติปัจจุบนันในการกระทามํำเพ็ญของตนมันมีอยู่ที่ไหนดอกกายนั่งอยู่ทุกคนนี่ไม่ใช่กายหรือตามสมมุติของโลกเขาเรียกว่ากายตั้งสติเอาไว้ในที่นี้กายนี้มันเป็นถุกสมหวังหรือไม่หรือมันเป็นอย่างไรกายนี้น่ายินดีเหลื่อมใสหน่า <c oughs> สักการบูชาหรือเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยดูให้มันผีท่วนดูเรื่องของกายอย่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาเข่าพิจารณาออกอยู่นั้นให้มันอยู่ในนี้สติอย่าให้มันออกไปที่อื่นนัง เ, น เ, นเหนื่ยเหนื่อยเมื่อยหิวก็กาหนด มันเจ็บมันปวดออกไปแขนเอาไว้ขาเแขนไว้นู่นขานี้ยเอาแขนไว้นั้นลําตัวเอาไว้นั้นคอเอาไว้นี้เอาแยกกันเหมือนเขขายเนื้ออยู่ในตลาดดูมันอยู่นั้นไหนมันเห็นไหนมันต่อใจชัดเจนมันเจ็บมันปวดไหมที่ไหนมันเจ็บมันปวดดูมันอยากมันออกไปเวลาเดินจงกรมกับสาวใส่ออกมา แขนคอหรือลากไปตามทางยกกลมหรือใจกำหนดคนตายกาดเจียนอยู่ตามถนนเดินยกกลมไ ป, ปเสียบตั้งเชื่อสกผีีิตายเพื่อจะห้ามจิตไม ah ่ e, คิดออกไปทางนอกจะไปหลงกำหนับยินดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่อุบายพิธีของตัวที่จะนำมาสอนจิตใจของตัวไม ah ่ e, ไปตุงชั่วชิดชั่วต่างๆซึ่ง เป็นทางกิเลสตัณหาเราคิดว่าถาบเอาเสียก่อนต่อไปเหมือนพี่เจรนาเรื่อยๆไปจิตใจมันเกิดภายในของมันมันเห็นมันเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นมันจึงละจึงถอนออกได้ถ้ามันไม่ละไม่ถอ น, มถอนเมื่อไรก็เหมือนกันกับเราทานอาหารยังไม่อิม่มให้ทานไปนี่ธรรมะก็ทธนองเดียวกันอย่าไปื้อว่าอันนี้เราเคย ที่นี้พิจารณาแล้วใจกิเลสตัณหามันตกไปไหมหมดไปไหมเวลาเดินขานี่เราเคยเดินแล้วจะไปหยุดอยู่มันก็อยู่นั้นแหละมันไม่ไปอีกขาเรามีสองขาเดินอยู่นี้ังแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้หรือจนตลอดวันตายก็ขาสองขาเนี่ยเดินมีการพิจารณาก็พิจารณ า, จาใจพิจารณาใจพิจารณ <c oughs> าธรรมะอย่างเดิมแหละมันไม่มีเสียหายอะไรก็พิจารณาเผื่อขับไล่ของชั่วเสียให้ตกออกไป ไม่เสร็จพิจารณาสะสมจริตมันถูกทั้งนั้นแล้วแต่อุบายปัญญาที่เราจะนำมาแนะมาสอนตัวข้องตัวสัวราดชั่วบาเพ็ญดีแต่นั้นเราทุกคนที่เกิดมาได้มาศึกษามาอบรมภาวานาพอฟื่นตางหาต่างตาศึกษาอบรมทำจิตทำใจให้ห่างไกลไปจาก อารมณ์สี่วเสียต่างๆพยายามหาความสงบหาความสุขความสบายในการการทำบาเพ็ญให้ได้ในอย่างนั้นเรามาอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ดีเป็นสละวัตก็ดีที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติถ้หาหเราไม่ตังหาตัณ า, าทำจริงจังจิตไม่สงบไม่เย็นไม่เห็นไม่รู้มันก็ไม่มีความสุข ความสบายให้เลยอยู่ป่าเพียงเจสักแต่ว่าอยู่เหมือนกันกับพวกสัตว์ป่าเขาอยู่ไ่ได้รับความวิเวททางจิตทางใจคือวิเวททางใจห่างไกลจากสัญญาอารมณ์จึงเรียกว่าวิเวทคือเข้าสงบไม่อย่างนั้นก็ห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ทางโลกมีธรรมะประจำอยู่ทุกโอกาสทุกเวลา จิตอะไรก็จิตไปในด่านธรรมะจารณาอะไรก็จินนาไปเผื่อลาเผื่อถอนนี่ก็คือจิตวิเวกคือห่างไกลไปจากราคะตันหามานาชิตต่างๆห่างไกลไปจากสมมุติสิเราเคยลุ่มหลงจิตท่องมาก่อนจิตวิเวกวังเวงมีความสงบในอาจในธรรมนี่จึงได้ชื่อว่าผู้มาปฏิบัติ กลุมาฝึกหัดอบรมตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นผลเห็นประโยชน์ให้ศาสนาถึงว่าเป็นของวิเศษประเสริฐขนาดไหนอ่าใจไม่เห็นใจไม่เป็นมันก็ไม่ประเสริฐวิเศษให้ถ้าเราเห็นเราเป็น <c oughs> <c oughs> เรากิงจะทราบว่ามันเป็นของประเสริฐวิเศษจริงไม่มีอะไรในโลกที่จะเหนือกว่า ศาสนาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นของมีคุณค่าสระมากหากเราไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมาได้สัตย์สอนเอาไว้ตัวของเราก็จะหลุ่มหลงอยู่เรื่อยไปเมื่อจิตใจเห็นจิตใจเป็นในอจในธรรมยอมกราบยอมไหวพระพุทธเจ้าแล้เห็นไปจกักว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจในอดในธรรมจริงจัง ท่านแนะสอนไว้ข้อไหนเราผู้พืชปฏิบัติมาเห็นความอัศจรรย์นขนาดไหนมีแล้วในโอวาสีพระพุทธเจ้าสอนท่านผ่านไปก่อนแล้ว จ, งจึงเคารพจึงเลื่อมใสจึงเต็มใจปฏิบตัติเพราะที่ฝึกปฏิบัติมามันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเห็นรู้ก่อนแล้วท่านจึงได้สอนมาอย่างนี้จิตของเราก็เห็นคอยใจชัดเจนอย่างนั้นที่เรายังไม่ถึง ยังไม่รู้ที่ท่านสอนเอาไว้เราประพฤติปฏิบัติไปก็จะเห็นจะรู้อีกเหมือนกันเพราะที่เราปฏิบัติมาแล้วก็เห็นกวรู้ตามทีทนน่ท่านสอนเอาไว้จึงเคารพจึงเดือมใสจึงเต็มใจอยากประพฤติปฏิบัติจิตมันดูดมันดื่มมันเพลิดมมเพลมมินในอัจในธรรมเพลิดเพลินได้เหมือนกันกันกบคนเพลิดเพลินกับเรื่องของโลก เผยเพลินได้หลวงไหลเอาจริงเอาจังเพราะไม่มีธรรมะูถีมีธรรมะเพิดเพลินในสติปัญญาก็ทํานองเดียวกันเวลามันเิดมันเพลินมันไม่มีเหน็ดนีเหนื่อยมีเหมื่ อ, ม, อมีหิวให้เดินเท่าไร่ก็ไม่ได้กำหนดการเวลานั่งเท่าไรก็เหมือนกันไม่ยอมอยากหลับอยากนอนให้เพราะจิตใจมันเพิดเพลิน กับอาจกับทรรมเพลินไปได้เย็นไปได้สำหรับผู้ฝึกจิตอารมใจมันสนุกมันเพลินในอาจในธรรมมันเย็นมันสบายสังเวชสลดใจแต่สมัยที่ยังไม่เป็นไม่เห็นอย่างนี้มันเกี่ยวไปติดไปข้องไปยินดียินร้ายในสิ่ ง, งนั้นนั้นเพราะเราไม่มี ธรรมะในใจไม่มีไฟส่องให้เห็นความสว่างของจิตของใจมันมืดมันจึงไปงมไปติดไปคิดไปปรุงเมื่อมันสว่างแล้วเราทราบเราจึงเทินในธรรมะการปฏิบัติอาจทาทุกคนมีจิตที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ พวกเราท่านจะนำมาประดับประดารักษากายวายาจใจของเราใครมีธรรมะคนนั้นก็มีความสุขจะเป็นคารวะกว่อตามเป็นสิทธุสามเณรเป็นนักบวชกว่อตามคนที่จนธรรมะถึงจะมีเข่าคล้อง <c oughs> บานช่องใหญ่โตขนาดไหนก็ทุกข์จิตทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นเคยเห็นทั้งทั้งจีตเขาหมั่นมี ข่าของเงินทองไม่อดอยากยากจนอะไรมาบ่นทุกอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านมีธรรมะในจิตในใจท่านไม่มีอะไรมีบริคานเกี่ยงชายนิดหน่อยเท่านั้นท่านก็ไม่เคยบ่นทุกอย่างนั้นลําบากอย่างนี้ท่านไม่เคยบน่นเพราะท่านมีธรรมะธรรมะจริงเป็นของที่มีคุณค่ากว่าเรื่องวัตถุภายนอกพยายามสร้างธรรมะทำธรรมะให้เกิดให้มี เป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจแล้วคนนั่นก็สุขก็สบายได้ทั้งทั้งที่ไม่มีเข้าของเงินทองภายนอกขาดธรรมะถึงจะมีสิ่งของมาก ม, า, กม า, กายกายกองขนาดไหนกิเลสตัณหาหย่ำยีวีธาก็เลยไม่มีโอกาสเวลาที่จะสุขจะสงบจะสบายให้บนทุกข์บนยากบนลำบากลำคาญอยู่เรื่อยไปแตนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะ ไปประดับประดารักษาษประพฤติปฏิบัติทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญในจิตในใจของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรสนเวลาขออยู่จิตเพียงแค่นี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราถึงจนะนักปฏิบัติ คนก็ต่างเคยได้ยินใน้ฟังกันมาแต่เพราะว่าการปฏิบัติของพวกเราจะให้เข้าถึงสึ่งธรรมะ น, นั้นนั้นเป็นของยากอยู่เพราะธรรมะเป็นของสุขุมละเอียดเดีต้องมั่นที่นิ่ที่จะนาตั้งหน้าปฏิบัติจริงจังเพืจะอย่างเข้าถึงเรื่องธรรมะ การปฏิบัติเป็นเรื่องที่จะน่าจิตนำใจของเราให้เกิดกานสว่างของใสได้ถ้าหากไม่มีการปฏิบัติยังจะอ่านตำราหรือจะที่เจรานาสื่อย่อมสงบไม่ได้ย่อมสว่างสวยหรือเกิดความรู้ สวดถึงในธรรมะไม่ได้เมื่อความรู้ไม่เคยไปถึงจิตห ร, รือความสงบหรือความสว่างเรื่องที่จะแก้กิเลสปัญหามานาจิติซึ่งแฝงอยู่ในจิตในใจออกไปเป็นลำดับยังแก้ไม่ได้อีกเหมือนกันเศษนั้นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งจบมาจากปริญญาต่างๆ ในทางศาสนาถึงคอยรักษาตัวในคุ้มเสียหายคนที่ไปมีจำนวมนมากเหมือนกันเพราะขาดการปฏิบัติส่วนการปฏิบัติถึงขั้นเหล่านั้นจะไม่มีการศึกษาสาหรับตำรา mm. มากเป็นรายต่า ง, า ง, างแต่ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรู้เห็นทำเป็นจริงเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติของธรรมท่านย่อมมั่นคงในพาษศาสนาและเชื่อแน่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดีที่เศษจริจจงท่นจึงมีศรัทธายินดีที่จะอยู่ผู้ชิดีวิตของธรต่อภาษศาสนาหากในเห็นคุณค่าของธรรม เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วสำหรับสำราหรือวิชาความรู้เที่ยวศึกษามาจากสัญญาคือการจำอะไม่เป็นปัญหาเรื่องทำวามเสียหายเสื่อมโทรมของจิตของใจได้ในทนกันยิ่งรู้สราดในทางวิชาเรื่อทั้งโลกเ็เท่าไรก็ยิ่งโกงเก่งขึ้นเท่านั้นเศษนั้นการปฏิบัต ยังเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกท่านในควรมองข้ามควรที่จะพยายามปรับปรุหจิตใจของเราให้มั่นคงในการปฏิบัติการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าจรงนีสอนก่ในใส่ปฏิบัติอื่นไกลอะไรศาสนาข้าหาจะพูดถึงตัวจริงแล้ว ก็มีอยู่ในตัวบุคคลคนหนึ่งน่ถึงทำคำสั่งสอนจะมีมากแปดหมื่นสี่พันธรามขันที่พันบัญญัติไว้ก็มีอยู่ในกายในวาจาในใจของบุคคลไม่ใช่ว่าท่านไปเอาดินฟ้าอาสาหรือฐานที่อื่นอื่นมาบัญญัติศาสนาเกิดขึ้นเรื่องกิเลสก็มีอยู่ในกายในใจของเราข้อปฏิบัติเพื่อจะทั่งละ ที่เหลือก็สำรับที่กายที่วาจาที่ใจนี้เองไม่ใช่ว่าจะไปสำระบที่อื่นเพียนั้นกายวาจาและใจใครๆที่นั่งอยู่อยู่กันตรมีทุกพันทุกคนศาสนาข้าหาไม่รู้ไม่ปฏิบัติเรื่องตายวาจาใจแล้วก็ไม่มีทางอื่นที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างไรตายของเรา พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนให้พวกเราปฏิบัติในศีลศีงเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่บุคคลผู้สนกษาใ จ, จาศึกษาทันจึงว่าวิริยศึกษาคือให้ศึกษาในศีลศึกษาในจิตศึกษาในปัญญาศึกษาในศีลศึกษาอย่างไรศึง ท, ทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นสิ่ที่ทํา จิตทำใจของเราให้เยือกเย็นได้มือนกันเพราะกายรายจาาของเราถ้าหากไปทำจิตศีลเข้ากันเรับความเดือดร้อนทุกท่านทุกคนเคยได้ยินได้หูเคยได้ดูด้ยวยตากันมาทางนั้นคนที่ในอยู่ในขอบเขตของศีลจะคิดไปตามอำเภอใจของตนแล้วแต่ตามผัดบบันของสิเลศปัญหาจะบงังคับบัญชา ให้แต่ทำอย่างไรทำไปตามพอบใจโดยในคันหนึ่งถึงจิตใจของบุคคลผู้อื่นหรือสัตว์อื่นได้รับโทษทุกข์มากมายแต่กองในปัจจุบันทานตาเคยเห็นกันดาดบุญเพราะคนเหล่านั้นไม่ตดเชื้ศีลของเขาให้ดีถ้าหากรักษาศีลดีใจดีราจาดีใจเป็นผู้ควบคุมใจเป็นผู้รักษา เราละลึกนึกถึงศีลของเราถึงตายของเราไม่ได้ไปทําชั่ววาจาของเราไม่ได้ปลูดชั่วเราละลึกนึกได้เค่านั้นแหละก็ ร, ะรู้สึกว่าความสบายใจทีงเรามีจะไปสถานที่ใดรู้สึกสะดวกตายสบายใจไม่นึกแบบใครจะมาตัณน์หาโทษใส่เราเพราะเราไม่ได้กระทบชั่วไม่ได้จิดศีลตปยกฎหมายทุกวันนี้นู้แต่นัยแต่ไรมา ที่บัญญัติเอาไว้ก็เพราะคนที่มีสีลนั่นเองถ้าคนมีศีลแล้วกฎหมายในต้องมีก็ได้เพราะเหตุใดเพราะกฎหมายเป็นของใหญ่ยิ่งก่าศีลแตอีกส่วนสินเป็นของละเอียดถ้าหากรักษาทั้งพวโลกจะได้รับคาวามเยียกเยน็นสะดวกสบายหั่วไปในต้องมีอาวุธยุทธศาสตร์ตำรวจทหารรักษาการบ้านเมืองอะไรหายไปหมดพวกทุกอย่างต่เพราะเหต จิตคนมีสีนทั่วหน้าทั่วตากันเรื่องนั้นศีลจึง เ, เป็นเรื่องจิตธรรมใจให้เย็นเย็นเข้าไปไในใจวะาสีน์เป็นของในสาคัญเป็นบันไดขั้นต้นสาหรับบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาหรือะต้องปฏิบัติตัวของตัวให้มีสีลเกิดขึ้นเรื่องของจิตที่ท่านแนะสอนให้ศึกษาจิตเป็นของสําคัญอันหนึ่งอีก จิตของเราเป็นนายที่จะบังคับกายราจาให้เป็นไปต่างๆนะถ้าหากจิตไม่ดีจิตชั่วจิตเกิดคามโลกความโกรธความลงหนักเข้ากายราจาขของเราจะต้องไปทำผิดทำชั่วตามความบงของจิตจิต บ, บงไปอย่างไรกายราจาจะต้องพูดไปได้ทาไปอย่างนั้นเหิดนั้นท่านจึงให้ศึกษา เรื่องของจิตจิตที่นักคิดไปในทางผิถ้าหากเราไม่มีสติรู้สึกตัวไม่มีปัญญาที่จะรลนานว่าเป็นทางดีทางทั่วเราก็จะต้องคิดเลื่อยไปเดือนนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตบรมจิตให้ศึกษาเรื่องจิตจิตคือคิดไปทุกระยะ หากเรานสิสิตควบคุมรักษาเห็นว่าจิตคิดไปใทางจิตเมื่อใดเอาตำยาแหน่สอนไว้ไม่ให้คิดไปเพราะการคิดไปมากพอเท่าไรจะได้รับความทุกข์ยากลำบากเหตุ น, นั้นจึงควรตวงวิรักษาจึควรฝึกอบรมจิตจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วย่อมนำความสุขความสบายมนาะให้แก่เจ้าตัวเอง เ, เ, เ, เ, เืโ ด, มมดไม่ต่อไปหาวัตถุภายนอกมาเป็นส่วนสุกแต่เรื่องของจิตเองเนืน่อสุกได้อบรมได้ย่อมีความสุกพอตัวอยู่แล้วในต่อไปหาวัตถุอื่นเพราะเรื่องของจิตผัานจี่เนื้อจิตเนื้อสุกจิตอยู่แล้วดูสถานที่ใดมีความเยืยกเย็นจิตใจของท่านถึงที่อยู่ที่อาศัยจะไม่ใหญ่โตและโหดฐานจะไม่เชยงามพอตาม ท่านก็อยู่สมายอย่างเช่ที่ท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ตามปาตามเขาโดยส่วนมากก็อยู่แต่ท่อมหอมหอหรือ อ, อ, อ, อยู่ตามยุ้งขมูลกลุ่มไม้ก็อยู่สูกกายส บ, บายใจของท่านเพราะจิต ข, ของท่านดีถ้าจิตของท่านชั่วมีความโลภเกิดขึ้นยากได้แต่จิหลังใหญ่ๆ ห, หยากจะได้อะไรต่างๆไปอยู่ในต่าในเขาใน ได น, นดูหนังดูละครหรือไม่ได้ฟังเสียงเรื่องราวต่างๆก็อยู่ไม่ได้กระวนกระวายเพาะความโลภความอยากบางังคับใจให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปต่างๆในวัตถุภายนอกจิตในในความสงบจิตในในความเยือกเย็นจิตในเป็นครรมยอมปลงไปต่างๆนาๆนาเหตนั้นเรื่องของจิตคนอื่น ที่จะรู้เข้าตัวของเราไม่มีจิตของเราปรุงอะไรคิดอะไรเราจะต้องรู้ถ้าเรามีสติ mm hmm. เมื่อเ ร, รู้ต้องใช้การทีนี้ที่จะเรียนนะการเนื้คิดจิดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเด่ยมนี้เป้นเรื่องดอีเรื่องชั่วถ้าเราทีนี้ที่จะเรีนนารู้จักว่าเป็นเยื่องชั่วห้ามจิตของตัวไม่เห็นไปเนื้คิดจิตตามเรื่องอารมณ์สัญญาอย่างนั้น กันตัตเอาไว้มไม่ให้ไปไม่ให้ปูนสิ่งใดที่ดีเราคิดไปทำสติของเราทำปัญญาของเราทำใจของเราให้เยือกให้เย็นเราต้องระ ล, ลึกในกคิดสิ่งนั้นให้มากจน ส, สิ่งนั้นมากขึ้นเท่าไรความเบาความสบายของกายของใจก็เกิดขึ้นเท่านั้นผลที่สุด รู้เท่าเรื่องของสังฐานคือความปรุงแต่งของจิตด้วยรู้จิตจริงจรจังจังคือมนตดจิตเกี่ยวข้องกับสัญญาองรม์ต่างๆได้สะดวกสบายจิตเป็นตัวพยศสำคัญถ้าหาเราไม่พอมาด้วยคำแล้วไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขจิตใจที่พยศแห้หายไปได้เกิดนั้นาพุไธ้จ่าจึงส และรบรวมให้พวกเราฝูดเสื่อสีในระพุทธศาสนาอุตส่าห์พยายามติดตามสุดจิตของตนให้มีสติยับยั้งที่นี้พิจารณาเ น, านื้อคิดติดตามเรื่องสัญญาอารมณ์อะไรถ้าเป็นทุขทางไม่ดีห้ามเอาไว้ไม่ให้ปรุงไม่ให้คิดต่อไปสิ่งใดที่ดีทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นหรือทำความสงบความสว่างสวัยของใจให้เกิดขึ้น พยายามรักษาเอาไว้ถ้าเกิดทิ้นแล้วยังไม่เกิดให้พยายามติดตามแต่ทาบําเพ็ญเมื่อทุกขั้นที่เป็นนักปฏิบัติพยายามฝึกหัดสติปัญญาสสของตนฝึกฝนจิตใจของตนจิตที่เคยเต้าหมองขุ่นมัวก็จะกลายเป็นจิตที่ท่องใสขึ้นได้จิตที่หยากก็จะกลายเป็นจิตที่ละเอียดขึ้นได้จิตที่เคย พุ่ง้างลำคาญก็จะตายเป็นจิตขี่สงบเยือกเย็นเข้าไปได้เหตุนั้นการปฏิบัติจึงเป็นของสําคัญถ้าหากเราปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นสงบระงับดับกิเลสด้บเป็นการเป็นสมัยเป็นส้างเป็นตาต่างก็ยังเห็นอนยโสในคาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดียิเศษุแต่เสดเพราะความสุขส่วนอื่น ที่เราเคยผ่านมาตั้งแต่วันเกดจนกระทั่งปัจจุบันความสุขในการหลับการนอนการขบการขันการอยู่การกินหรือการดูการเล่นการเปิดการเปรืนต่างๆเราเคยผ่านมาเห็นมาว่ามีความสุขขนาดไหนแต่มาไปสบพบความสงบของจิตความหยุดปรุงแต่งของจิตความขาดจากสัญญาอารมณ์ของจิตจิตด้งอยู่ ในอารมณ์อันเดียวเป็นเอกัาชตาแล้วเราจะรู้ว่าความสุข้างโลกสู่ความสุขสของคามสงบทางจิตในดัเมื่อเราเราเห็นด้วยตนเองและเข้าใจชัดเจนในคามสงบอย่า ง, งนั้นถึงจิตจะถอดถอนออกมาเป็นการเป็นเวลาหรือระยะ น, นานๆในสงบ รวมรวมอีกได้ควานเชื่อมั่นของเราควรเชื่อมั่นอยู่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะลืมว่าการฝึกจิตหรือจิตาจากสัญญาอารมมีความสุขความสบายอย่างไรจนได้แน่นอนมัน่นคงเิดนั้นศรัทธาของท่านผู้ปฏิบัติถึงจิตของท่านจะไร้เ่ห์เลี่ยนสัญจรไปในสถานที่ต่างๆในเวลาที่ ไม่สงบสงบันตแต่ท่านไปเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเป็นบางข่านบางทางที่จิตของท่านขาจากสัญญาอาุมท่านยังเชื่อมั่นอยู่ ท, ท่านจึงมีวิริยะคือความขาความเพียรจะประพฤตปฏิบัติให้จิตสงบสงัอีกในยอมปล่อยความเพียรของงตนให้เสียไปในว่าวันใดคืนใดตั้งใจประพฤตปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเพื่อจะให้จิตของตน พอไปถึงขันความสงบแต่เรื่องของความสงบเป็นการเป็นเวลาคุณค่าราคาหรือคว า, ามสุขความสบายก็ยังดีเด่นยิ่งกว่วัตถุภายนอกทางโลกที่เราเคยผ่านมาเดยหนโดยตาของเราเหตุนั้นผู้ปฏิบัติถึงขั้นสงบจึงเรียกว่านัตถิสันติาลังสงุขขันสงบไม่มีการ ไ, ไม่มีเวลาสงบ อยู่ทุกอวิญะบทคือความสงบจากที่เลิถ อ, อนอวิสาปัญหาอุปาทานออกจากจิตใจดด้ถ่านจะมีความสุขขนาดไหนก็พรู้พรเข้าใจได้เพราะจิตของเราสงบลงไปส่วนการส่วเวลาเราก็มีความสุขขนาดนี้ถ้าหาจิตขาจากสัญญาอารณ์สงบอยู่ทุกการไปแล้วจะต้องมีค้ามาสุขเลลอยเนือโลก เหตุนั้นท่านปฏิบัติเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านจึงอุตส่าห์พยายามติดตามแต่ทำบังเพียนทางความเคียนไม่ลักไม่ถอนอุตส่าห์ทุกวันทุกเวลาตังหน้าแต่ทำเกี่ยความหลุขพ้นไปจากที่เดิคนที่ยังไม่เห็นจะเห็นแต่ตำรักตำราเธอได้อ่าน ไ, ได้ใจได้ฟังจากครูบาอาจารย์เท่านั้นความเชื่อมัน่นของจิตยังไม่มี เหตนี้เราต้องต่างหน้าตัางตาปฏิบัติเด้วดตนของตนเองจนให้รู้ให้เห็นเหตุผลที่เป็นสิ่งจากตนของตนเป็นสรรพิโกเห็นเดือดตนเองอาตาลิโกไม่มีการในมีเวลาจึงจะถูกตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากม่อย่างนั้นคำคำสั่งสอนจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กต่างความเชื่อ ความเรื่มใส่ท้องใจไม่มีมักอยากจะได้ยินอยู่ทั่วๆไปไในว่าบ้านนอกหรือในเมืองมักถือกันว่าสมัยปัจจุบันเรื่องนี้มักขุนไม่มีทั้งๆที่เรียนจนจบข้าใทติดกมาโปรดมักอยากจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยสระพฤตปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดดัดจิตทองตนให้รับความสว่างสวยเรื่องสงบจากทีเสียปัญหานั่นเอง ความเชื่อของเขาเพงไม่เชื่อว่ามัดผลหนึ่งผู้ปฏิบัติเดยตนของตนเองรูขึ้นเห็นขึ้นเป็นสันทิ่พีโกแล้วทำคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าเป็นอาสาลีโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าระยะใดสมัยใดหากปฏิบัติพอแล้วจะต้องเห็นผลตามเหตุที่ตนของตน ได้ตั้งเอาไว้หรือต่อสึกปฏิบัติเอาไว้ผลย่ำเกิดขึ้นนี่ใช่ว่าการล่วงไปเวลาล่วงไปทาคําสั่งสอนจะจิตหายไปเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าและอริยะเจ้าเตาก่อนที่ท่านตรีนิพานไปท่านในเกาะปวยเอาความดีและความชั่วนี้จากโอกระนีไปถ้าหาท่านเกาะปวยเอาได้ท่านที่ตั้งหน้าต่างตาสั้งพระบาลีมา เสื่อจะนําสันโลกให้ข้ามต้นไปจากโองเ อ, ง, องแจงกันดานอันนี้ถ้าจะขอบขี้โอไปหมดพวกเราก็จะไม่ได้มาบนทุกกันแต่พวกเราที่บนทุกกันอยู่เดี๋ยวนี้หรือทุกวันนี้นก็เช้าว่าท่านกอบกวยเอาไป ไ, ได้ขอบขี้โอเอาไป ไ, ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต่อชี้ปฏิบัติด้วยตนของตนเองเพื่อจะพ้นไปจาก ลุกในวัฏฏะ ส, ะสงสารได้การปฏิบัติใจเรียกง่ายๆก็เหมือนกันกับเรารับทานอาหารถึงพ่อเนี่ของเราเพื่อนฝูงของเราจะรับประทานให้ถ้าเราไม่รับประทานเองเราก็ไม่มีวันมีเวล า, ท, าที่จะอยู่เป็นของสฉาะตัวของตัวอย่างเหตุนั้นการปฏิบัติธรรม เป็นจำเป็นที่พวกเราทุกคนจะตอะ้องปฏิบัติโดยต น, นเองในต้องไปอ่ า, านการอ่ า, เ า, เาอนเวลาเพราะการเวลาในใสหน้าที่ของเขาจะปฏิบัติให้เป็นตัวของเราเองการเวลาถ้าหากเราทําดีเราก็เป็นคนดีขึ้นเราปฏิบัติดีจิตขอเราก็ดีขึ้นในใสมันดีอยู่ที่การถี่เวลา อย่างศาสนาตามพระสอนวันนั้นดีวันนี้ชั่วการจริงวันเวลาไม่มีดีไม่ชั่วหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรขงเขาก็เป็นไปอย่างนั้นไม่มีวันใดที่จะดีไม่มีวันใดที่จะชั่วแต่คนเรานี่แหละถ้าทําดีในวันใดเวลาใดการใดสมัยใดความดีจะต้งเกิดขึ้นแก่ตายแก่ใจของตนถ้าทําชั่วในการใดเวลาใดจะเป็นยุทธดี ยามดีทศชาติไหนต่วตามชาท่านทั่วแล้วทัางทั่วจะต้องแสกเขาตัวของบุคคลผู้นั้นในการนั้นสมัยนั้นเวลานั้นเหตุนั้นทำทำสั่งสอนจึงเป็นอาจารยียโกเป็นของในมีการในมีเวลาในบาตทางดีในบาตรทางทั่วเป็นการพิโกรู้ไปจับเห็นด้ยวยตนเอในเวลาการใดเวลาใดในใช่บุคคลผู้อื่นจะมาตักขินให้ว่าเรา ดีแล้วไปสรวจแล้วทาของบุคคลผู้อื่นไม่เป็นของสำคัญเท่าที่เราปกติปฏิบัติคือเกิดที่เห็นที่เป็สิ่งในตัวถึงคนเขาแต่กันและเส้นแต่เราชั่วเรารู้แต่เราชั่วอยู่เห็นอยู่แอบเขาอยู่เขาจต่กันและเส้นแเราดีมันก็ดีไปไหนได้เหตุนั้นทันที่ที่โกยี่เหลือยังมีอยู่ในใจของเราเมื่อะไรเราก็พอใจแต่ยิ่งเหลือยังมีในใจ เราประพฤติปฏิบัติตงลดสงัดไปขนาดไหนเราก็เข้าใจในตัวของเราอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะให้บุคคลผู้นั้นเอาไว้ประกาศต้องรู้ต้องเข้าใจในตนของคนอย่างนั้นเราทุกคนที่โทรมาประพฤติปฏิบัติล่วงลากันต่างหนาต่างๆอุตสาหะพยายามศึกษาศีลของตนและจิตของตนให้เข้าใจปัญญา ปีติาซึ่งเป็นข้อที่สุดของพระพุทธศาสนาปัญญาเป็นของสําคัญที่พวกเราทุกท่านจะมัน่นที่เจริญนามั่นขวนขิดเราะปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการขวนขิดที่นิ้ทารนาปัญญาตามทางาพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่าเกิดขึ้นได้สามในเพื่อจุดตรามายะปัญญาเกิดขึ้นได้จากการสดับรับฟังเกิดขึ้นได้จากการอ่าน การสำหรับตำราเรี่องวัจิุตามยปัญญ า, เ, า, า, า, ปญญาเป็นปัญญาขั้นต้นข้อที่สองวิจิตตาไมายปัญญาเกิดขึ้นจากการนึกคิดในสิ่งต่างๆตาได้ดูหูได้ยินที่นึกที่จรนาเนสคิดจนเกิดปุิเกิดปัญญาขึ้นโดยเป็นปัญญาขั้นที่สอภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากคามสงบของจิตควานสงบของจิ ต, น, ต, อตนอกจากจ ะ, ะต้องพทสูจน์ปฏิบัติจริงจังแล้ว แตนน่ไม่มีทางอื่นแต่ังบได้ถ้า จ, จิตสงบยัย ง, จจงยไป